จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจปุสลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21เมิุนายนพุทธศักราชส5งราเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา สร้างบุญบารมีที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้อนาคตของพวกเรานั้นดีขึ้นไปตามลำดับเพราะบุญบารมีนี่แหละที่ทำให้พวกเราได้มาเกิดสูงสูงต่างๆมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบางคนก็รวยบางคนก็จนด้านสติ ป, ปัญญาความรู้ความฉลาดบางคนก็รู้มากบางคนก็รู้น้อยด้านรูปร่างหน้าตาบางคนก็มีผิวพรรณห่องใสรูปร่างหน้าตาสวยงามบางคนก็มีผิว พันที่ไม่ผ่องใสมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามบางคนก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานมีอาการครบ32บางคนก็มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อย มีอาการ32ที่ไม่สมบูรณ์มีอายุที่ไม่ยืนยาวนานเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติตนของแต่ละท่านในอดีตชาติที่ผ่านมาเหมือนกับการพพอะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ถ้าเราเพาะปลูกไว้มากเราก็จะได้เก็บเกี่ยวมากถ้าเราเพาะปลูกน้อยเราก็จะได้เก็บเกี่ยวน้อยถ้าเราไม่เพาะปลูกเลยเราก็จะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลต่างๆเลยนี่คือหลักของความจริงที่เรียกว่าหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรม การทำความดีต่างๆนี้เรียกว่าบุญบารมนะีดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตของเราสถานภาพของเรานั้นดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชาตินี้เราก็ต้องพยายามสะสมบุญบารมีให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะบุญบารมีนี้เป็นสิ่งที่แข่งกันไม่ได้แข่งรถแข่งเรือนี้พอแข่งกันได้แต่เรื่องบุญบารมีนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องสะสมจะต้องสร้างกันจะต้องปลูกฝังในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาในแต่ละวันถ้าเรา มันสร้างบุญบา ร, รมีไว้มากเช่นพระพุทธเจ้าของเราได้สมบงบำเพ็ญบารมีมาทุกภพทุกชาติอย่างไม่ท้อถอยจนในที่สุดบุญบา ร, รมีนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูเป็นพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา เป็นที่พึ่งของสาโลกทั้งหลายเกิดจากการสร้างบุญบารมีต่างๆบุญบารมีนี้ก็มีอยู่10บประการด้วยกันคือ 1. ทานบารมีคือการให้ 2. สศีลบารมีคือการละเว้นจากการกระทำบาปกรรมทั้งหลาย 3. เนธัมมะบารมีคือการ ออกจากกามาสุขคือตัดความสุขทางกามาอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกามาไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกวิ่นกายจะไม่แสวงหาความสุขแบบนี้จะเข้าวัดถือสิงแปบดบฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุข อีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆบาราีที่4ก็คืออธิษฐานบาราีอธิษฐานบาลาีก็คือ การตั้งจิตตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างบุญสร้างบารมีจะทำบุญให้ทานจะรักษาศีลจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องตั้งใจไว้ก่อนอย่างวันนี้เราจะมาวัดได้นี้ เราต้องตั้งใจไว้ก่อนตั้งแต่โมวางหรือหลายวันก่อนว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้จะมาวัดมาทำบุญนี่คืออธิษฐานบารมีคือเราต้องตั้งไว้ที่เหตุคือการกระทาต่างกับอธิษฐานที่พวกเราเข้าใจกันพวกเราเข้าใจอธิษฐานคือการวิงวอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการขอแบบนี้การตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเพราะไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าเราก็ต้อง ตั้งอยู่ที่เหตุคือการกระทำของเราว่าเราจะต้องขยันหมั่นเพียรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้ถึงจะสามารถทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้อย่างนั้นความหมายของอธิษฐานนี้ก็คือการตั้งใจไว้ที่เหตุคือการกระทำต่างๆว่าเราจะกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เช่น วันนี้เราได้ยินเรื่องทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีถ้าเราเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ดีที่จะทำให้เรานั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปเราก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็ได้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะถึงวันตายถ้ามีโอกาส จะขอสร้างทานบารมีจะขอสร้างศีลบารมีจะขอสร้างเนกขมภ์บารมรีอย่างวันนี้พวกเราก็ได้มาสร้างทานบารมีด้วยการเอานำกบข้าวกับปาอาหารของข้าวของหวานจะตกปัจจัยทายธรรมมาถวายแก่พระพกทุสมัมมเนมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้เป็นทานบารมี ถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลห้าก็จะเป็นศีลบารมีถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลแปดจะไม่หาความสุขจากการจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงหรือหาความสุขจากการรับประทานอาหารจะรับประทานเพียงให้พอแก่ความต้องการของร่างกายคือ ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะร่างกายนี้สามารถอยู่ได้ไปจนถึงวันรุ่งขึ้นถ้าเรารับประทานอาหารในตอนเช้าหรือในตอนกลางวันก่อ น, ก, อนก่อนเที่ยงวันเราก็จะมีสเสบียงในร่างกายพอที่จะอยู่ได้เราไม่ต้องรับประทานอาหารเย็นก็ได้ ร่างกายไม่เดือดร้อนอะไรเพราะการรับประทานของพวกเรานี้มักจะมีกิเลสตัณหาแทรกเข้ามาด้วยคือเราไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกายอย่างเดียวเรารับประทานเพื่อกิเลสตัณหาคือความชอบในรูปในรสในกลิ่นของอาหารเรามักจะเลือกอาหารชนิดต่างๆรับประทานกันรับประทานตาม ค ว, ความอยากความชอบนี้เรียกว่าเป็นการรับประทานเพื่อส่งเสริมกิเลสตัณหาที่จะมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้แก่เราถ้าเราต้องการที่จะสร้างบุญบารมีเราก็ต้องรับประทานแบบไม่ได้ยึดติด ก, กับรูปกับรสกับกลิ่นของอาหาร อาหารชนิดใดที่อยู่ใกล้เมือพอรับประทานได้ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็รับประทานไปไม่ต้องขับรถไปร้อยกิโลเพื่อไปหาร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่อร่อ ย, ออยไปรับประทานเรารับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานเพราะการอยู่เพื่อรับประทานนี้ เป็นกางอยู่เพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเราจะต้องคอยวิ่งหาอาหารชนิดต่างๆรับประทานมาัประทานอยู่ไม่มีวันจบสิ้นเวลาใดที่เราไม่ได้รับประทานหารที่ถูกอกถูกใจเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมากินอาหารไม่อร่อยกินไม่อิ่มไม่อิ่มใจไม่อิ่ม ไม่อิ่นแก่ความอยากของกิเลสนี่คือเรื่องของเนคข ม, มารบาลีขอให้เราพยายามสลัดความสุขทางโลกทางการอารมณ์ต่างๆเพราะเป็นความสุขที่ร้อนเป็นความสุขที่คลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์ให้เราเข้าหาความสุขที่เย็นความสุขที่ทําให้ใจของเรา มีความอิ่มเอิมีความมั่นคงมีความพอนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจของเราให้สงบด้วยการไหว้พระสวดนมนต์ก็ดีด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ดีหรือด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกด้วยสติก็ดีขอให้เราลองทำดู ถ้าจิตของเราไม่ไม่หนีไปคิดเรื่องงานเรื่องนี้ถ้าจิตของเราจดจ่ออยู่กับการที่เราให้ทําถ้าสวดมนต์ก็จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ถ้าบริกรรมพุโทโธก็จดจ่ออยู่กับการบริกรรมพุโทโธถ้าดูลมหายใจก็เข้าออกก็จดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าออกถ้าทําอย่างนี้แล้ว ไม่นานใจของเราก็จะค่อยๆสงบลงไปเหมือนกับการเดินเข้าไปในถ้าเวลาเดินเข้าไปในถ้าพอเราเข้าไปลึกๆเข้าของต่างๆเช่นเสียงที่อยู่ภายนอกถ้าก็จะอยู่ห่างไกลจากตัวเราไปเรื่อยๆเวลาจิตเราเข้าสู่ความสงบ ก, ก็เหมือนเข้าไปในถ้าเรื่องราวต่างๆที่เรารู้ ที่เราได้ยินเราเห็นมันก็จะอยู่ห่างไกลจากใจของเราไปเรื่อยๆจนหายไปหมดแม้แต่ร่างกายบางครั้งก็หายไปถ้าจิตสงบลงรวมเต็ที่แล้วจิตจะอยู่ตามนำทงังไม่มีร่างกายอยู่ในความรู้สึกมีแต่ความสงบเย็นสบายมีแต่สักแต่ว่ารู้ แต่แต่ไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีรูปให้รู้ไม่มีเสียงให้รู้ไม่มีร่างกายให้รู้เมแต่ตัวจิตที่รู้อยู่ตามลาพังของตนนี่คือธรรมชาติแท้ของจิตคือตัวรู้ตัวรู้นี้ถ้าได้สลับทิ้งทุกทิ้งทุกอย่างที่ที่ที่ที่จิตได้ไปเกี่ยวข้องแล้ว ก็จะทำให้จิตเบาสบายทุกวันนี้ที่จิตมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความหนัก อ, อกหนักใจเพราะไปแบกสิ่งต่างๆนั่นเองแบกเรื่องนั้นแบกเรื่องนี้แบกคนนั้นแบกคนนี้แล้วก็มีแต่ความกุ้กม อ, อกพุ่มใจเพราะเราไม่รู้จักปล่อยวางเราไม่รู้ว่า การแบกนี้เป็นโทษกับจิตใจของเราและไม่สามารถที่จะทำตามความต้องการของใจได้เพราะสักวันหนึ่งใจก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกสิ่งทุกอย่างที่แบกที่หางที่คอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาก็จะต้องจากกันไปดังนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะได้รู้จักวิธีปล่อยวางสิ่งต่างๆบ้างคือยังไม่ปล่อยวางให้หมดเพราะชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปแต่วันหนึ่งเราควรจะหาเวลาปล่อยวางหาเวลาเข้าสู่ความสงบเพื่อจิตจะได้พักผ่อนจิตจะได้มีอาหารหล่อเลี้ยงให้มีกำลังพอออกจากความสงบแล้ว จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปแบกไปหางภาระต่างๆที่ยังต้องแบกหามต่อไปแต่อย่างน้อยจะรู้แล้วว่าต่อไปสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเมื่อหมดภาระ แ, ะแล้วจะได้ปล่อยวางอย่างเต็มที่เพราะการแบกหางนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใจไม่ได้ให้ความสุข มีแต่ให้ความทุกข์นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพนน็ญเนคขมะบารมีในปัจจุบันถ้าเรายังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องเกิดอีกเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมเลยสำหรับผู้ที่บาเพนน็ญเนคขมะบาลมีถ้าบาเพ็ญแต่ทานบารมีกับศีลบารมี คือรักษาเพียงศีลห้าถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพหรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปใช้กรรมในนรกไปเกิดตึงเปรตหรือเป็นเดรัจฉานเพราะอำ น, นาจของทางบารมีและศิลบารมีจะคุ้มครองเหนี่ยวรั้งไม่ให้ใจต้องตกลงไปสู่ที่ต่า ดังนั้นถ้าเราเห็นคุณประโยชน์ของบรารมีเหล่านี้เช่นทานบรานบรมีศีลบารมีเนปคัมมะบรารมีเราก็ควรตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสร้างอธิษฐานบรารมีเพราะถ้าเราไม่มีอธิษฐานบรารมีก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีพวงละลายหรือเรือที่ไม่มีหางเสือที่จะวิ่งไป ตามบุญตามกรรมตามเวรตามกรรมตามอารมณ์ไม่ได้วิ่งไปตามที่เราจะกําหนดไว้เช่นถ้าเราไม่ได้กําหนดจิตว่าวันนี้หรือทุกทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันพระเราจะมาวัดมาทําบุญเราก็จะบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาขึ้นอยู่กับอารมณ์บางวันมีอารมณ์อยากจะมาก็มา บางวันมีอารมณ์อยากจะไปทำอย่างอื่นก็จะไปทำอย่างอื่นนี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีอธิฐานบารมีไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้วางแผนของชีวิตไว้ว่าจะดำเนินชีวิตของตนไปอย่างไรถ้ามีอธิฐานบารมีก็จะวางแผนได้เลยว่าจะต้องทําบุญในวันนั้นจะต้องรักษาศีลจะต้อง ถือศีลแปดจะต้องเจริญปฏิบัติสมาสมาธินี่เป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีเมื่อเรามีอธิษฐานบารมีแล้วสิ่งที่เราต้องมีเสริมอธิษฐานบารมีก็คือสัจจะบารมีสัจจะแปลว่าความจริงใจเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วถ้าเราไม่มีความจริงใจ เราอาจจะไม่ทำก็ได้เช่นวันนี้เราตั้งใจจะมาวัดพอดีตอนจะออกจากบ้านมาวัดก็มีคนโทรศัพท์มาตามให้ไปทำภารกิจอย่างอื่นถ้าเราไม่มีสัจจะคือความจริงใจที่จะมาวัดเราก็จะเปลี่ยนใจไปทำภารกิจอย่างอื่นได้แต่ถ้าเรามีสัจจะคือความจริงใจ ตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วต้องทำอย่างนั้นเหมือนกับให้คำพูดกับใครแล้วรับปากกับใครแล้วว่าจะทำอะไรก็จะต้องทำตามคำพูดอย่างนี้เรียกว่าสัจจะบาลีเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงอาศัยสัจจะบาลีและอัตถฐานบาลีทำให้พระองค์ได้ตัดสรุปว่าตอนที่ทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพ ก่อนที่จะบำเพ็ญเพียร น, นั้นทรงตัดทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะขอนั่งจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี้ไปจนกว่าจะได้ตัดสุลูถ้ายังไม่ได้ตัดสรลูถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นั่งนี้โดยเด็ดขาดนี่คือการตั้งสัจจะอธิษฐาน เพื่อเป็นการบังคับใจบังคับตนให้ทำในภารกิจที่จำจำเป็นต้องทำถ้าเรามีทั้งอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรจะมีโอกาสที่จะได้สำเร็จรุ่งรงไปอย่างแน่นอนถ้าเรามีบารมีอีกสองอันมาเสริมคือขันติบารมี เพราะเมื่อเราทำอะไรไปแล้วเราจะต้องพ บ, พบกับอุปสรรคพบกับความยากความลาบากถ้าเราไม่มีขันติบารมีเราก็อาจจะแพ้คือสู้ไม่ไหวเช่นตั้งใจจะนั่งสมาธิทักชั่วโมงหนึ่งพอนั่งไปได้ทัก15นาทีเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนไม่ไหวไม่มีขันติบารมี ก็จะยอมแพ้ลุกขึ้นเปลี่ยนเอริยาบุแต่ถ้ามีขันติบารลีก็จะทนไปเจ็บแค่ไหนก็ทนไปบอกตัวเองว่าถ้ายังหายใจอยู่ถ้ายังไม่ตายไม่เป็นไรมันจะเจ็บขนาดไหนก็เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายของคนเราทุกคนต้องเจ็บด้วยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บมากกว่านี้ปวดมากกว่านี้เราก็ยังคคยผ่านมาได้ เวลาออกลูกนี้มันก็ทุกทรมานเจ็บปวดขนาดไหนก็ยังผ่านมาได้แล้วทาไมเพียงนั่งเฉยๆเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นิดหน่อยทาไมจะทนไม่ได้ถ้าเรามีฐานติบารมีเราก็จะสามารถก้าวผ่านความเจ็บนี้ได้เพราะความเจ็บนี้มันก็ไม่เที่ยง ม, มันเป็นอนิจจังมันไม่ได้เจ็บไปตลอดนั่งอยู่สักภาพหนึ่งแล้วเดี๋ยวความเจ็บนั้นมันก็จะหายไปเอง เราไม่ต้องไปทำอะไรมันหรือถ้าในระหว่างที่เรานั่งแล้วรู้สึกเจ็บ mm. ก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บ mm. ให้เราเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรืออยู่กับการสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันจะไม่ทรมานใจเหมือนกับเวลาเรานั่งเล่นไพ่ทั้งคืนเรานั่งได้เพราะเราไม่รู้สึกเจ็บเพราะเรามัวแต่ดูอยู่ที่ไพ่ที่เรากาลังเล่นอยู่ หรือเวลาที่เราดูหนังเราก็นั่งดูได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดเพราะเราใจของเราอยู่กับการดูหนังนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเวลาเกิดความเจ็บปวดก็ขอให้เราอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้ากำลังสวดมนต์ก็ให้สวดต่อไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้าบริกรรมพุทโธก็บริกรรมต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บ แล้วเดี๋ยวความเจ็บนั่นมันก็จะไม่มารบกวนใจนี่คือขันติบารมีที่เป็นบารมีที่จำเป็นในการที่จะผลักดันสนับสนุนให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการและบาลมีอีกอันนึงที่จำเป็นต่อการให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาก็คือวิริยะบารมี คือความอุสาหภาคเพียนความขยันหมั่นเพียรถ้าตั้งใจแล้วแต่ขี้เกียจพอตั้งใจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาแล้วก็ขี้เกียจทาถ้าอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนตั้งใจมาวัดวันนี้แต่พอตอนเช้าตื่นขึ้นมารู้สึกยังง่วงยังอยากจะนอนต่อก็เลยเปลี่ยนใจไม่ลุกขึ้นมาขอนอนต่ออย่างนี้ก็เรียกว่า ไม่มีวิริยะบารามีถ้ามีวิริยะบารามีแล้วจะต้องกระตือรือร้นพอถึงเวลาตื่นแล้วก็ต้องรีบลุกขึ้นจากเตียงทันทีเข้าห้องน้ําห้องท่าทําภารกิจเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวนําข้าวของต่างๆมาวัดฝนฟ้าจะตกแดดจะออกอย่างไรก็จะฟันฝ่ามาให้ได้ไม่ให้มีอุปสรรคอะไรมาฝังกันได้นอกจากเหตุสุดวิสัย เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้หรือน้ำท่วมจนไม่สามารถขับรถเดินทางมาได้อย่างนี้ <famous> ก็ต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยก็ต้องก็ต้องผัดไปก่อนถือว่าค้างนี้ไว้ก็แล้วกันแล้วพอมีโอกาสก็กมาชดใช้หนี้ที่เราตั้งใจไว้จะทำต่อไปถ้าเรามีขันมีอธิษฐานบาณีมีศัพจบาณี มีขันติบรารมีมีวิริยาบรารมีแล้วการที่เราจะสร้างทานบรารมีในคั ม, มะบาลมีศินบาลมีนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเลยนี่คือเรื่องของบรารมีต่างๆซึ่งได้กล่ามานี้ก็7บรารมีแล้วยังมีบรารมีอีกสามเสือสอันด้วยกันก็คือเมตตาบรารมีคือความมีเจต เมตตาต่อผู้อื่นมีไมตรีจิตคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นปัญญาบารณีก็คือมีความรู้ความฉลาดรู้ทันความจริงของชีวิตเช่นรู้ในอริยสัจสี่รู้ว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยความอยากรู้ว่าทุกข์หนับได้ด้วยการใช้สติปัญญามามาตัดความอยากเช่นเราอยากได้อะไร ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเราได้มาแล้วเราจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราอยากได้ที่เราอยากได้สามีอยากได้ภรรยาเราคิดว่าเราจะมีความสุขแต่เราไม่รู้หรอกว่าสามีหรภรรยาของเรานี้เขาไม่เที่ยงเขาไม่รู้จะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเขาจะดีกับเราไปตลอดหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องมาคอยห่วงคอยกังวลกับเขา ต้องมาทะเลาะวิวาสกับเขาเป็นทุกข์ไปเป่าๆสู้อยู่คนเดียวดีกว่าถ้ามีปัญญาแบบนี้ก็จะตัดความอยากที่จะมีสามีมีภรรยาได้ก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องสามีภรรยาอีกต่อไปนี่คือปัญญาบรารมีและบรารมีสุดท้ายก็เรียกว่าอุบเบกขาบรารมีคือการทำใจให้วางเฉยให้ปล่อยวาง ไม่ว่าเราจะเห็นอะไรได้ยินอะไรอย่าไปยินดียินร้ายปล่อยให้เขาไปไปตามเรื่องของเขาเขาดีก็เรื่องของเขาเขาร้ายก็เรื่องของเขาเราอย่าไปดีอย่าไปร้ายกับเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรานี่จะทำให้ใจของเราแกว่งไปแกว่งมาทำให้ใจของเราวุ่นวายปล่าๆเวลาคนที่เราไม่รู้จักเขาทำอะไรดีหรือไม่ดีเราไม่เดือดร้อนเพราะเราวางเฉยได้ แต่คนที่เรารู้จักคนที่เรารักคนที่ใกล้ตัวเรานี้เรากลับวางเฉยไม่ได้เราก็ต้องมาหัดวางเฉยเพราะการวางเฉยนี่จะทําให้ใจของเราสงบทําให้ใจของเรามีความสุขถ้าเราวางเฉยไม่ได้เราก็จะต้องทุกทรมานไปกับความดีความร้ายของเขานี่คือเรื่องของบารมีทั้ง10ประการที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญมา จนได้ตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้นำมามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราปรารถนาชีวิตที่ดีกว่าในปัจจุบัน <c oughs> ก็ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้เถิดเพราะไม่มีใครสร้างให้เราได้ไม่มีใครทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะทำได้ จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบรารมีนี้ให้ท่านได้นำไปพิริ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์